ข อ, อนอบน้อมพระรานไใจขอาการอาจารย์วนันชัยแล้วก็เพื่อนสถาบันทุกท่านนะเจริญพรทุกคนนั่งกันตามสบายเนาะให้ทำความรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจในปัจจุบันนะให้ตั้งใจไว้อยู่กับสิ่งที่กำลังฟังหรือตั้งใจ รับรู้กับการกระทาของเรานะหรือตั้งใจรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของเรานะอันนี้สำคัญที่สุดเนมะื่อวานได้สนทนาธรรมกับหมู่คนจีนนะนะชาวนี้เขาก็จะไปละนะวานก็ได้สนทนาก็หลายเรื่องนะแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็สงสัยนะ สงสัยเรื่องผลของกรรมนะนะเราทำไมบางทีไปช่วยคนอื่นนะแล้วสมัยเราได้รับผลไม่ดีนะเดีบยวคนก็สงสัยว่าเราเคยทำไม่ดีนะเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะตอนวัยเด็กนะผลที่มันจะเกิดขึ้นนะจากการที่เคยทำร้ายสัตว์นะมันจะเกิดขึ้นตอนไหนมันจะเกิดขึ้น จริงไหมนะเราปฏิบัติรมแล้วมันยังจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะก็เกิดความสงสัยนะในผลของกรรมนะที่จะเกิดขึ้นที่จริงพระพุทธเจ้านะท่านเคยตัดไว้ว่าเรื่องของผลของกรรมเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องอจินไตนะ่เรื่องอจินไตยคือเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะ คาดคะเนคิดเอาได้นะ่ะมันเป็นเรื่องที่เหลือวิสัยของปุถุชนคนที่ไม่มีไม่มียานอย่างรู้นะแต่ที่จริงหลวงพ่อเทียนท่านสอนให้ง่ายขึ้นนะท่านสอนให้ง่ายขึ้นว่าในทะ่านบอกว่าทำดีดีทำชั่วชั่วมันจบนะคือที่จริงตอนที่เราทำดีเรืงจิตตนนั้นะมันเป็นกุศลจิตมันดี มันก็ดีแล้วนะไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อใดเราถึงจะได้ดนะีตอนที่เราทําไม่ดีเราทําชั่วนะจิตมันก็เป็นอกุศลมันก็ไม่ดีตอนนั้นแหละนะไม่ต้องรอว่าจะได้รับผลตอนไหนนะตอนที่เราทําดีจิตมันก็ดีแล้วตอนที่เราทําชั่วจิตมันก็ชั่วแล้วนะอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่สําคัญเลย หรือถ้าจะเติมอีกนิดนึงนะตอนที่เราคิดดีนะนะจิตมันก็ดีละนะตอนที่เราคิดชั่วนะจิตมันก็เป็นอกุศลละนะหรือถ้าตอนที่เราไม่คิดนะจิตเราเป็นปกติธรรมดาเนี่ยมันก็เหนือทั้งดีแล้วก็เหนือทั้งไม่ดีนะนะนะมันอยู่สูงกว่านะแต่ถ้าเราบางทนะีเราเกิดความสงสัยนะในผลของกรรม จริงจิตตอนนั้นของเราคืออะไรจริตตอนนั้นของเราคือมันสงสัยอยู่ให้เรากลับมารู้ความสงสัยนี่แหละเนะีเราสงสัยว่าทําไปแล้วผลจะตามมาไหมเนะี่ยจิตตนนั้นคือมีความสงสัยให้เรากลับมาดูความสงสัยในใจนะีหรือผลของกรรมบางอย่างมันเกิดขึ้นไม่รู้หรอกมันเกิดจากการกระทําอะไรนะได้รับ คำนินทานะหรือทามีประสบกับอุบัติเหตุประสบกับสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตนะมันประสบผลนะทางรูปภายนอกนะจากเสียงก็ดีจากร่างกายก็ดีนะมันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆเนาะแต่ใจเราตอนนั้นเป็นอย่างไรเนาะใจเราตอนนั้นมีความทุกข์ใจไหมนะ ใจตอนนั้นมีความไม่พอใจไหมนะให้เรากลับมาดูใจนะกลับมาดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะอย่าไปสงสัยลังเลว่าทำไมเราทำดีแล้วได้รับผลไม่ดีหรือทำไมเราต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับชีวิตของเราด้วยนะเพราะเราบางทีเราไปติดที่ความสงสัยไม่กลับมาดูความสงสัยนะมันต่างกันนะนะ บางคนสงสัยแล้วก็พยายามคิดหาคำตอบถามผู้รู้หาคำอธิบายจนลืมว่าตัวเองกาลังสงสัยนะแต่จริงการเจริญสติเนี่ยแค่กลับมารู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าตอนนี้จิตมันสงสัยก็ดูมันสงสัยพอเราเห็นจิตที่มันสงสัยนะความสงสัยมันจะคลายไปของมันเองนะไม่ใช่คลายว่าต้องได้คาตอบในเรื่องที่สงสัยนะ แต่คลายใจว่าพอเห็นว่าเออจิตมันสงสัยนะมันรู้เลยว่าเมื่อกี้เราจมนะกับความคิดนะกับความสงสัยนะมันจมกับความคิดเพราจิตมันรู้มีสตินะมันก็จะออกมาจากความคิดความสงสัยได้อันนี้แหละนะมันเป็นจะเรียกว่าเป็นวิธีได้คําตอบแบบ แบบเหนือกว่านะเหนือกว่าการคิดหาคำตอบแบบทางโลกก็ได้นะนะไม่จำเป็นว่านะไม่เหมือนทางโลกนะนะสมมติมีสมการมีโจทย์อะไรมาเราจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อเราตอบถูกเท่านั้นแต่ในทางทำจริงๆนะนะไม่ได้สนใจเรื่องนะความรู้เชิงปรัชญาหรือว่านะ หลักของเหตุผลนะหรือทฤษฎีที่ถูกต้องแต่จริงถ้าเรากลับมาดนะูสภาวะที่มันเกิดขึ้นในกายในใจของเราได้ตามความเป็นจริงนะเป็นผู้ดูจริงๆเนะี่ยทุกสภาวะจะแสดงอาการเหมือนกันนะก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะในทุกสภาวะเลยนะทุกสภาวะนะที่เกิดขึ้นจะอารมณ์จะเป็นกุศลก็ดี อากุศลก็ดีหรือว่าเป็นกลางๆงนะอภยากิจก็ดีมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นถ้าเราเห็นตัว น, นี้นะโอ้ทุกสภาวะไม่ได้มีค่าอะไรแตกต่างกันเลยนะมันมีอาการเหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นกุศลเมื่อกี้ทำดีนะมันก็จบละนะเมื่อกี้ทำไม่ดีนะมันก็จบละนะจบลงที่ปัจจุบันนะ แต่ถ้าจิตเราไม่จบนะจิตยังดังเลยสงสัยยังคิดคำนวณอยู่จิตมันก็จะนะมีวิจิกิจฉายาวไปเรื่อยๆหรือเรานะเผลอทาไม่ดีขึ้นมานะเราก็คิดถึงผลถึงการกระทําที่ผ่านมาเนาะจิตก็ยังเศร้าหมองต่อเนื่องนะเป็นหลายชั่วโมงเป็นหลายวันก็มีนะบางคนทำไม่ดีจิตเศร้าหมองอยู่หลายวันเพราะอะไร ว่าจิตเราไปติดนะในเรื่องการกระทําในอดีตนะมันก็เลยเศร้าหมองก็เลยเป็นอกัสรต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะแต่จริงการกระทําเมื่อกี้นะมันผ่านไปแล้วนะเราควรจะกลับมาดูว่าเออจิตเราไปติดกับการกระทําในอดีตเนาะนะนะจิตมันเศร้าหมอตงตัวนี้เนาะถ้าเรากลับมาดูตรงนี้ได้นะความเศร้าหมองมันก็ดับไปนะมันก็จบไปนะ ความเป็นปกติของจิตมันจะกลับคืนมานั้นการทำความรู้สึกตัวเนี่ยเนานะไม่ว่าการกระทำหรือคำพูดหรือกิริยาของจิตนะมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเรารู้มันซื่ อ, อรู้มันเฉยเนะรู้นะโดยไม่ไหลเข้าไปเป็นกับมันเนี่ยสคัญที่สุดนะแค่รู้ว่ามันเป็นแบบนั้นนะไม่ใช่ รู้แล้วก็เรามีความอยากของเรานะบางทีถ้าเราไม่รู้ซื่อเนี่ยเราจะมีความอยากมีความพอใจมีความไม่พอใจนะมีตัณหานะที่อยากจะเข้าไปแทรกแซงเช่นถ้าสมมติเราเจอสติดีเนาะจิตมันนิ่งดีนะบางทีเราก็จะมีความอยากนะให้มันนิ่งแบบนี้นานๆเนาะนะบางช่วงจิตตื่นดีก็มีความอยากให้มันตื่นแบบนี้บ่อยๆ ถ้าปฏิบัติแล้วมันง่วงนอนมันฟุ้งซ่านก็มีความไม่พอใจนะมีความอยากให้มันหายนะหายง่วงหายฟุ้งซ่านนะมันคิดไม่ดีก็อยากให้มันเลิกคิดซนะเลยไหมมันทำไมคิดเรื่องนี้หลายครั้งจังนะแล้วก็มีความไม่พอใจความไม่พอใจก็คือความไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละอันนี้แหละ พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่ า, าพวกตันหาต่างเนี่ยแหละมันคือรากเหง้าทำให้เกิดความทุกขนะ์ถ้าเราไม่ละความความอยากความไม่อยากนะหรือว่าความหลงในความพอใจในทางกรรมคุณต่างๆนี่แหละหรือจะพูดภาษาง่ายก็คือความพอใจความไม่พอใจนี่แหละนะถ้าเราไม่ละตรงนี้นะ เราก็จะติดอยู่ตรงนี้แหละนะถ้าเรายัางติดอยู่ตรงนี้มันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อยู่ร่ำไปนะนะไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมขนาดไหนรักษาศีลขนาดไหนหรือให้ทานขนาดไหนนะถ้ายังไม่ละซึ่งตัณหามันก็ยังต้องเปลี่ยนว่ายตายเกิดหรือว่าทุกซ้ำทุกซ้อนไปเรื่อยๆนะนั้นการเจริญสติจริงๆเนี่ยเราจะกลับมานะ เข้าสู่ความเป็นปกติของจิตคือจิตที่มันมันไม่เป็นอะไรมันเป็นเพียงแค่ผู้ดูเป็นเพียงแค่ดูเห็นเห็นกายเห็นกายเขากระทำบางสิ่งบางอย่างเห็นกายเขาแก่เห็นกายเขาเจ็บเห็นกายเขาตายเห็นกายเป็นเพียงแค่สภาวะอาการการกระทำต่างๆหรือแม้แต่ สภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็เหมือนกันก็เห็นเป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่งนะหรือเป็นแค่ความรู้สึกหนึ่งเป็นอาการหนึ่งนะเราดูเป็นแบบนั้เออจิตมันจะจิตมันจะแค่รู้นะไม่ได้เข้าไปเป็นนะหรือตอนไหนที่มันเผลอเข้าไปเป็นนะมันจะรู้สึกเลยว่าจิตเนี่ยมันไหลนะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไป คิดนะี่ส่วนใหญ่นะีมันจะไหลไปจมเนะีคล้ายๆเหมือนคนจมน้ํานะีพอเรามีสติเราก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําหน่อยหนึ่งนะนะแต่พอขาดสติเราก็จมน้ําอีกแหละนะจมไปกี่วินาทีกี่นาทีกี่วันก็แล้วแต่พอเรามีสติเราก็จะโผล่ขึ้นมานะีนะ่ยแวบบหนึ่งแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำแบบนี้บ่อยๆ กลับมารู้ตัวบ่อยๆนะกลับมารู้ทันกายรู้ทันใจไปอยๆนะมันจะคล้ายๆขึ้นมาบนาบนน้ำนะได้ทีละขณะทีละขณะแต่การที่เราพ้นจากาการจมกับความคิดนะได้ทีละขณะเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องพยายามสะสมนะหรือว่าพัฒนาภาวนาก็คือเนี่ย คือการพัฒนาการสะสม mm hmm. การทำให้มากนะเราภาวนาเพื่อทำให้มากทำให้มีการตื่นรู้ทำให้มีการออกจากอารมณ์นะทำให้มีการพ้นขึ้นมานะพ้นขึ้นมาจากอารมณ์ได้ทีลนะขณะเพราะพระพุทธเจ้าก็เปรียบสภาวะความเป็นพุทธก็คือสภาวะดอกบัวนะที่มันพ้นนะพ้นจากน้ำนะพ้นจาก โคลตมนะบัวนะรากเง่านะเกิดจากโคลจะเกิดจากตมขึ้นมานะถึงชั้นพื้นน้ำสุดท้ายก็พ้นนะเหนือน้ำสภาวัจจิตที่พระเจ้าท่านเปรียบเทียบก็เหมือนกันนะท่านบอกว่าเราเกิดในโลกก็จริงนะนะเราอยู่ในโลกก็จริงแต่เราพ้นโลกได้ด้วยการที่เราไม่ยึดติดนะ ในพบในชาตินะในอุปทานที่ทำให้เป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยแหละนะมันก็พ้นอย่างนีน้พ้นจากการที่ไม่เป็นเนี่ย น, นะพ้นจากการที่ไม่ยึดไม่ถือเนี่ยแหละมันทาให้เราพ้นจากสภาวะต่างๆได้นะนั้นทางสายกลางก็คือการพยายามมีสติเนี่ยแหละมีสตินะพอเรามีสติเราจะรู้ตัวว่าเราเผลอไปคิดเผลอไปจมนะ หรือลืมตัวไปเลยนะวิสติมันคล้ายๆเหมือนเรียกตัวเองกลับมากลับมาจากความหลงนะจริงไม่มีอะไรมากนะจิตมันก็มีแต่หลงกับรู้ถ้าเราไปหลงนะไม่ว่าจะหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าใจนะมันก็คือหลงเท่านั้นแหะนะพอมีสติมันก็แค่กลับมารู้นะกลับมารู้นะถ้าไม่หลงก็รู้นะก็แค่นั้น เราจะเลือกอยู่กับอะไรนะเราจะอยู่กับความหลงหรืออยู่กับความรู้นี่คือเราก็ต้องทาให้มันต่อเนื่องทำให้มันเยอะๆนะพยายามกลับมารู้บ่อยๆพอรู้บ่อยๆมันก็จะเป็นความเคยชินนะเป็นความเคยชินต่อไปมันก็ระลึกรู้ของมันเองนะไม่ว่าจะทำนะทำการทำงานอะไรพอใจมันเผลอไปคิดนะขาดสติขึ้นมานะ สติมันก็จะตื่นตัวขึ้นมาเออรู้สึกละว่าหลงไปนะมันก็จะกลับมาเป็นปกติได้อือจว่าจะทาอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยเราก็มันก็จะเกิดการรู้ตัวของมันนะรู้ตัวของมันเองนะแต่เราก็ต้องอาศัยการพยายามฝึกฝนภาคเพียนไปเรื่อ ย, อยนะเมื่อใดที่เรานะมีความพอใจนะที่จะทำมันเนี่ยอ น, นมันใจมันจะเป็นกลางๆพอดีเนาะ แต่ถ้าเราทําแบบไม่พอใจเนี่ยมันจะมีความอยากเข้ามาแทรกแซงนะทําไปแล้วก็อยากจะรู้นะทําไปแล้วก็อยากจะได้นั่นได้นี่นะที่จริงเราอยากได้เนี่ยเพราะอะไรที่จริงเราไม่พอใจที่จะทํำนะเข้า <c oughs> ใจไหมเราพอใจผลของการกระทํำนะเราไมไ่พอใจที่การกระทำคล้ายๆเราทําแล้วมันเมื่อไใ่มันจะได้สักทีนะ เพราะเราอยากจะได้ผลนะเราไม่ได้อยากจะทำนะนะมันก็เลยเกิดความอยากนำหน้ า, นะวาเวลาทาไปแล้วเมื่อใดมันจะได้ได้แล้วมันจะได้เลิกทำสทักทนะีได้แล้วมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้สักทีเพราะอะไรเราไปคิดหวังผลนะเมื่อใดที่เป็นความอยากนะคือการคิดหวังผลเหมือนกับคนอยากสบายอยากจะรวยนะไม่ค่อยอยากจะทำงานหรอกนะนะี มันอยากจะได้ผลนะก็คือความสบายความสุขความร่ารวยนะคนที่อยากจะพ้นทุก์ก็เหมือนกันบางทีฉันไม่อยากทุกอะนะนะนะฉันอยากจะมีความสุขจริงๆนะแต่จริงพระเจ้าท่านสอนให้เราทำที่เหตุนะเหตุคืออะไรเหตุคือการรู้จักทุกนะเหตุคือการละนะซึ่งความอยากนะ รักพึ่งตัณหาเหตุคือการที่เดินทางสายกลางนะทางสายกลางนะคืออรอยิยมรรคมีองค์8ทางที่ชีวิตเราดําเนินอย่างประเสริฐไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือว่าใจนี่แหละนะนะทางสายกลางพรนะพุทธเจ้าท่าบอกการวางใจให้พอดีนะหรือการปฏิบัติธรรมบางที เรารู้สึกตัวนะบางทีมันก็จะหลงบ้างหรือบางทีก็เพ่งบ้างนะตั้งใจเกินไปบ้างนะหรือว่าเผลอนะเพลินไปบ้างนะตรงกลางพอดีคือแบบไหนนะพระเจ้าท่านก็เปรียบเทียบดีนะท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับไล้าคาเรากำลูกไก่อยู่ในมือนะลูกไก่ตัวเล็กนะถ้าเรากาเขาแน่นเกินไปนะ ลูกไก่ก็อาจจะโดนบีบแล้วก็ตายได้แต่ถ้าบางทีเรากำหลวมเกินไปนะลูกไก่มันก็จะดิน้นล้วก็จะบินออกมันก็กระโดดออกจากกำมือของเราแต่เราจะกำขนาดไหนให้มันพอดีนะลูกไก่ไม่ตายไม่แน่นไม่อึดอัดแล้วก็นะไม่ดิ้นหนีออกไปได้อันนั้นแหะคือความพอดีที่เราต้องต้องแบบ เรียนรู้นะเรียนรู้ในการฝึกทํานี่แหละนะทาแบบไหนนาะยกมือแบบไหนพอดีนะเดินแบบไหนพอดีเนาะหายใจแบบไหนพอดีนะกินแบบไหนพอดีนะคิดแบบไหนพอดีเนะี่ยเรามันจะเกิดจากประสบการณ์ที่เราจะรู้สึกตัวของเราเองนะหรือไม่แต่การทำการทำงานต่างๆนะกวาดใบไม้นะเนะ มันจะมีจังหวะของมันพอดีพอดีนะบางทีเราสังเกตได้โอ้คนนี้กวาดแบบใจร้อนเนาะอยากให้มันหายเอออยากให้มันเสร็จเร็วๆนะบางคนก็กวาดสบายๆนะพอดออีบางคนก็กวาดแบบไม่ค่อยฉลาดนะทำไปแบบไม่เออทำไปงั้นๆแหละนะก็มีนะแต่ก็เออเห็นสมมงทีเราก็ดูตัวเราเนี่ย เ, เวลาเราทางาน จเราเผลอไปไหมนะเผลอไปลืมลืมการกระทำไหมนะหรือบางทีเราก็ตั้งใจก็เพ่งเกินไปนะจะทําอะไรก็อยากให้มันดีไม่อยากให้มันหลงเกินไปหรือเปล่านะก็เลยกลายเป็นเพ่งจ้องนะเนี่ยบางทีในการปฏิบัติการวางใจให้เป็นกลางๆนะไม่เผลอไปเพ่งไม่เผลอไปบังคับนะหรือไม่เผลอไปคิดนึกบรุงแต่งลืมตัวเนะี่ย มันคือความพอดีที่เราต้องฝึกเรียนรู้เนาะมันบอกกันไม่ได้ว่ายกมือท่าไหนหยุดนานเท่าไหร่เดินช้าเดินเร็วเดินเบาเดินค่อยนะกินกี่คำนะนอนกี่ชั่วโมงนะพูดมากพูดน้อยเท่าไหร่มันไม่มันไม่เกี่ยวเลยนะถ้าเรามีสติจริงๆเนี่ยจะทำอะไรก็ได้นะ มันจะเป็นสติมันจะรักษากายรักษาวาจารักษาใจนะนะคําว่าทําอะไรก็ได้นะมันถ้ามีสติมันก็ไม่เผลอทําชั่วหรอกนะนะถ้ามันจะคิดชั่วคิดไม่ดีมันก็จะมีสติคอยเตือนคอยตัดนะให้กลับมาได้นะมันก็จะทําอะไรนะที่เป็นธรรมดาที่สุดนี่แหละนะดังนั้นถ้าเรามีสตินะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะมันจะพอดีมันจะผ่อนคลายให้เราสังเกตได้ เราทำแล้วมันเกิดความผ่อนคลายนะผ่อนคลายในการเดินผ่อนคลายในการยกมือผ่อนคลายในการนั่งนะผ่อนคลายนะในหน้าตาผ่อนคลายในจิตใจนะเราสังเกตดูเออถ้าจิตมันผ่อนคลายกายมันผ่อนคลายเนี่ยเออมันพอดีนะอ่ผ่อนคลายผ่อนคลายไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเผลอแมไม่ใช่นะ มนคลายมันรู้สึกมันก็รู้ตัวแล้วมันไม่เครียดนั่นแหละนะมันทั้งรู้ตัวแล้วก็ไม่เคร่งเครียดนั่นคือความพอดีนะเราก็ดูนะหาจังหวะตรง น, นั้นนะหรือถ้ามันได้จังหวะนั้นแล้วก็สิ่งสคัญอีกอย่างนะอย่าไปเผลอประคองมันไว้นะนะอย่าไปเผล อ, อยากให้มันอยู่แบบนี้ตลอดเนาะโอ้มันพอนดีนะอยากให้มันอยู่แบบนี้แหละทั้งวันทั้งคืนนะอยู่แบบนี้ตลอดไป ถ้าเรามีความอยากเช่นนั้นบางทีมันจะเผลอกลายเป็นบังคับน ะ, ะประคองหรือว่าแบบทําแบบตั้งท่านะมากเกินไปนะต้องต้องรู้ทันนะสภาวะที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเนี่ยนะนะนะการภาวนาเนะี่ยเราก็แค่ทําตรงนี้แหละนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านคนพบนะทางที่เราจะออกจากความความหลง นะทางที่เราจะออกจากอวิชชานะคือความไม่รู้หรือใช้แปลอย่างคือรู้ไม่ถูกรู้ไม่จริงก็ได้นะมันก็รู้นะแต่มันรู้ผิดนะหรือจะเรียกว่าหลงก็ไดนะ้มันจะออกได้จากความรู้เท่านั้นแหละนะความรู้ก็คือพุทธะนะพุทธะก็คือการตื่นออกมาจากความหลงนั่นแหละนะออกมาจากตอนที่ขาดสตินั่นแหละก็คือเป็นพุทธะ ในแต่ละขณะแล้วนะอันนี้สําคัญที่สุดนะปัจจุบันขณะนี่ยพยังกลับมาระ ล, ลึกรู้ที่ปัจจุบันแค่ะพอละนะอดีตจะเป็นอย่างไรช่างหัวมันนะอนาคตจะเกิดอะไรก็แล้วแต่ช่างหัวมันสําคัญแค่ปัจจุบันเนะี่ยรู้ทันไหมนะแต่การรู้ที่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่การคล้ายๆจมแช่ะนะกับกายในปัจจุบัน หรือจมแช่กับอารมณ์ในปัจจุบันนะนะมันเป็นสภาวะที่เห็นเห็นอาการในปัจจุบันนะแต่ก็ไม่ได้ติดในปัจจุบันนะนะมันระหว่างอดีตก็ดีอนาคตก็ดีหรือปัจจุบันก็ดีเนะี่ยถ้าเป็นสภาวะการดูเนะี่ยมันมันอยู่เหนือการเวลานะที่บอกเป็นอาการดิโกแต่เราก็พูดให้เข้าใจในภาษาง่ายง่ายปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันรู้ในปัจจุบันแต่ไม่เป็นเพียงแค่การ แล้วตึกรู้นะแล้วตึกรู้ว่าปัจจุบันมันคืออะไรมีอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันเพียงแค่แล้วตึกรู้เพราะปัจจุบันจริงๆมันก็ไม่มีเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปนอดีตก็ผ่านไปแล้วปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาก็กลายเป็นอดีตแล้วะอนาคตเมื่อกี้ก็กลายเป็นปัจจุบันใหม่แล้ะดังนั้นการเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านไปนะอเหมือนกับ สายน้ำเนาะมันไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะมีคำกล่าวของนักปัจญาเขาบอกเราไม่สามารถจุ่มจุ่มเท้าลงไปในน้ำสายเดียวได้หรอกเพราะน้ำมันไหลผ่านไปเรื่อยๆนะจิตก็เหมือนกันนะมันก็ไม่สามารถที่จะแชนะ่อยู่ในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนะที่ปัจจุบันจริงๆอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่า ปัจจุบันก็ผ่านไปเรื่อยๆนะเหมือนการเวลาเหมือนกับสายนะ้าที่มันจะผ่านไปเรื่อยอารมณ์นะความรู้สึกหรือกายก็เหมือนกันมันก็ผ่านมันก็เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยนั้นเราเพียงแค่รู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่นะนะที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านะรู้มันนะด้วยใจที่เป็นกลางรู้ด้วยความตั้งมั่นนะรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะ่ะแค่นี้ก็พอละนะ ถ้าเราเห็นตรงนี้นะความสงสัยนะความไม่เข้าใจนะมันก็จะคายไปเองนะมันก็จะคายนะได้คำตอบว่าเออใช่จริงไม่ต้องรู้อะไรมากนะแค่รู้สึกตัวนะแค่รู้ทันนะสภาวะ น, นี้ปัจจุบันรู้แค่นี้นะมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะรู้แค่เนี้ยจิตมันก็เป็นปกติแล้วรู้แค่นี้ยมันก็เป็นความสงบสุขแล้วนะ ไม่ใช่ความสุขแบบสนุกสนานนะแต่เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เกิดจากการไม่ปรุงแต่งนะเป็นความสุขที่เกิดจากการรู้ตัวนี่แหละนะโอ้อันนี้แหละเนาะคือสภาวะพุทธะสภาวะที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบน ะ, นะแต่เราก็ต้องสะสมไปเรื่อยจนทั้งมันสามารถถอนรากเหง้าของตัณหานะกิเลสตัณหาต่างๆได้นะ แต่ก็อาศัยการรู้ตัวไ ป, ไปบ่อยเนี่แหละมันจะค่อยๆเข้าใจเห็นโทสะเห็นโมหะเห็นโลภะนะถอนได้ซึ่งกิเลสต่างๆตัณหาต่างๆในจิตใจนะ่มันก็ค่อยๆพัฒนาไปนะตามตามกาลังความเพียร น, นะที่เราจะต้องทําไปนะให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่เราก็ต้องทําเหตุไปเรื่อยเนาะ เขาคิดว่าก็เป็นการพูดคุยนะในการสนทนาธรรมเนาะให้เป็นเหมือนเป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมนะการพูดคุยธรรมะก็เพื่ออะไรเพื่อปฏิบัติธรรมเนี่แหละนะทั้งผู้พูดเองก็ต้องปฏิบัตินะในขณะที่พูดในขณะที่ทำนะผู้ฟังเองก็ปฏิบัติขณะที่ฟังแล้วปฏิบัติต่ตอในขณะที่จะไปทำต่อนะ กันตอนนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าจะมีค่าที่สุดเนาะธรรมะเป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราได้ใช้ชีวิตนะในปัจจุบันชาตินี้หรือว่าในวันนี้ในวินาทีนี้ให้มันคุ้มค่าโดยการนะมีสตินะทําอะไรก็แล้วแต่ให้มีสตินะให้มีความรู้ตัวนี่แหละเมื่อเรารู้ตัวมันก็ไม่หลงเมื่อรู้ตัวมันก็ไม่ทุกข์นี่แหละ คือสิ่งที่มีค่าให้เราได้พยายามพัฒนาคือภาวนาให้มันเยอะๆนะก็จะได้คุ้มค่าที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานะได้พบธรรมะที่มีอยู่นะในปัจจุบันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะมีค่ามากนะนะก็อนุโมทนากับทุกท่านนะกราบพาะพร้อมกัน